อาจารย์ครับก่อนลวัฒกา ร, การครับผมเจรญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยห้าสิบนะครับอาจารย์ครับอก่อนเข้ารายการวันนั้นพระอาจารย์บินทบาตวันมาคะคนทั้ง 1, <8 80. S 1> พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าศูนย์วหนึ่งร้อแสิบอืารเจ็ดสิบการเจ็ดสิบก็เท่ากับปีเดียวนอ๋ อ, อขาดไป็นเจ็ดสิบคน <laughs> แต่ว่าคนใส่ออนไลน์เยอะไหมครับอาจารย์ครับก็ประมาณห้าหร้อยคนห้าหกอยคนครับอาจารย์โอ้ที่อาจารย์เดินทีเดียวได้บุญคนได้ทําทานเยอะเลยครับอาจารย์ครับไม่ได้เดินด้วยนั่งเฉยๆครับดีแล้วครับอาจารย์ครับตอนนี้ตอนนี้ที่วัดก็มีรถไปรับส่งด้วยบางครั้งใช่ไหมครับอาจารย์บางครั้งก็เมตตาให้ไม่่ให้เดินเขาก็รับ สาราไปที่กุฏิครับผมครับดีแล้วครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์จะได้พักผ่อนครับแล้ววันนี้เมื่อเช้าคนเยอะไหมครับอาจารย์เมื่อเช้าที่วันนี้สายบ่ายก็สี่ร้อยหกสิบเก้าอ๋อก็ยังไปเยอะปะกติครับปกติตอนบ่ายที่าาที่สาราที่กุฏิก็ร้อยหกสิบกว่าแล้วก็ลอยไปก็แปดร้อยกว่าอ๋อครับผมการนมมทนาสาธุครับ ตอนนี้ชมอยู่ทางนี้ก็โอ้ก็เกือบเก้าร้อยคนแล้วครับพระอาจารย์ครับแปดร้อยครับผมครับวันนี้เอาสิ่งที่พระอาจารย์สอนเสมอเลยครับนาถีสันติพลังสุขขังมาเป็นหัวข้อครับพระอาจารย์ครับจะกลาวขอปัญญาพระอาจารย์จากเรื่องนี้ครับผมก็คือเป็นสุดยอดของความสุขความสุขในโลกนี้มีสองรูปแบบด้วยกันสุขทางธรรมกับสุขทางโลกสุขทางโลกก็สุขที่ได้จาก โลกธทําสี่คือรามยศสารเสริญท่านลบเสียงกลิ่นรดผลเถ้าภาชนิดต่างๆ ต, ต่อให้ได้งานเป็นระดับหนึ่งเศรษฐีของโลกต่างต่อให้เป็นยอดยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกตก่างแต่ก็ได้เรียนลงวัใ น, นต่างๆมากมายขนาดไหนก็ตามได้ใช้ได้กินได้ยูได้ฟังอะไรของผู้นี้มารวมกันหมดแล้วนี่ยังสู้ความสุขที่นี่เกิดจากความสงบไม่ได้ ความสุขที่เกิดความสงบนี่มันเป็นความสุขที่เลิศมันอีกมันเบามันสบายมันไม่มีความเครียดวิตกกังวลความสุขทางโลกมันยังมีความเครียดอยู่ได้อะไมาแล้วก็ต้องมีความกังวลนะว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับมันหรือเปล่ามันมีความไม่แน่นอนความสุขทางโลกอยู่ภายใต้กฎของใจรักความสุขที่เป็นทุกข์ เน้ตายรับทุกทุกพ่อไม่แน่นอนมันยั่งยืนถาวรแล้วก็ไม่ควบคุมบังคับมัไม่ได้มันจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ความสุขทางธรรมนี้เราควบคุมได้จากการปฏิบัติของเราเราสามารถควบคุมรักษาให้มันเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรไปตลอดในรันดอนเลย คือมันจะไปกับใจของเรามันอยู่ในใจของเราแต่ความสุงทางใจนี่พระอาจารย์นิดเดียวนะครับผมอาจารย์ครับอ๋อพระอาจารย์ครับรกลับขออภัยครับพระอาจารย์ครับน่าจะมีสัญญาณในเน็ตมีปัญหานิดนึงครับเมื่อกี้น่าจะกลับมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคให้พูดใหม่ก็ได้ครับพระอาจารย์ขออภัยคิดถึงความสุขทางโลกมันยังมีความเครียดความกังวลอยู่ครับผม เพราะมันอยู่ภายใต้กฎของใจนะอันนี้จากทุกขังอนัตตาที่มันทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่แน่นอนมีเกิดมีดับได้มีเจรามีเสื่อมได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้าเราไปยึดไปติดจะมันเวลามันเปลี่ยนไปเรื่องมันดับไปมันก็จะทําให้เราทุกข์แล้วมันก็เป็นอนัตตาเราควบคุมมันเข้าไหรไมได้มันจะมาเมื่อไหร่มันจะไปเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ อย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมายุคสภาเมื่อไหร่ก็ไม่ใครรู้ครับถึงเราจะยุบก็จะยุบขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะจะอยู่ต่อไปนั้นรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเกิดใครไปฟ้องสารรัฐมนุนให้เป็นโมฆะอีกครับเนี่ยมันไม่แน่นอนเอ่ายกตัวอย่างให้ฟังมาในจังอนันตตาควบคุมมรรคภาพไม่ได้เพราะมันมีเหตุปัจจัยหลากหลายที่มาเกี่ยวข้องที่ทําให้มันไม่แน่นอน ฉะ น, นันจะทําให้คนที่ติดกับความสุขทางโลกธรรมสี่นี้ต้องเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีมากมีน้อยมนก่อนเห็นอ่านในใ น, ใน ม, มีข่าวแลือมีคําพูดว่าเอรอนมาสมาหาเศรษฐีลำนึน่งร่อมเงินที่ซื้อความสุขไปได้ครับปากจังคําพูดจากปากมาหาเศรษฐีลำหนึง่งงโความสุขซื้อความสุขไม่ได้เงินทอง อาจจะซื้อความสุขทางร่างกายได้ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสได้แต่ความสุขทางใจความสงบนี้ซื้อไม่ได้แน่นอนนับประกัรตดก็ยังมีในสมัยพุทธกาลมีเสรษฐีคนหนึ่งรู้สึกได้ไปบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระหลานแล้วท่านก็เกิดความทราบซึ้งปิติในความสุขก้อนนี้เดินไปย้าก็บ่นสุขเนาะสุขเนาะพระเนรที่ยังไม่เข้าใจ พอท่านไปนบ้านก็คิดว่าท่านไม่สำรวมกันเลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าอะไรมาเรียกมาสาบถามมันเป็นยังไงเธอไม่สำรวมได้ยงไงท่านก็ไปเสศวตบอกว่าครับเจ้ า, าจมีสติสัมผัสชั้ญาตลอดเวลาที่ต้องอุทานสุนทรสุนอรมาเพราะความเพื้องปิติกับกับธรรมะและประเสริฐที่ได้สัมผัสนี่สมัยตอนที่เป็นเศรษฐีมีเงินมากมายกายเขาไม่เคยเจอกับความสุขแบบนี้มาก่อนเลย ก็บากว่านี่แหละเป็นความสุขที่นล่อนที่สุดประเสริฐที่สุดแต่ความสุขนี้มันก็มีแบ่งไว้เป็นสองระดับระดับชั่วคราวก่อนไม่ไปถึงระดับอย่างยืนถาวรการที่จะเข้าถึงระดับของสองระดับนั้นนี้ก็ต้องผ่านการภาวนาจิตตภาวนาสมถฆาภาวนาก็คือสมาธิทำใจให้นิ่งสง บ, บก่อนถ้าเรามีสติก็คุมใจ ให้หยุดคิดได้นำสมาธิจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเราก็จะเข้าถึงความสุขที่ที่เกิดจากความสงบที่เหนือความสุขสงบได้แต่เป็นความสุขแบบชั่วคราวเพราะว่าเดี๋ยวพอออกจากสมาธิมาความสุขนี้ก็ค่อยๆจางไปเมื่อได้มาสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มาทําให้ความสุขนี้หายไปได้แล้วถ้า ถ้าอยากจะทําให้ความสุขนี้ยังยืนถาวรก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์หาสาเหตุว่าอะไรที่มาทําให้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันหายไปเมื่อาออกจากสมาธิไปแก็ม K ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าที่สามารถวิเคราะห์เห็นเหตุที่ทําให้จิตไม่สงบวเวลาออกจากสมาธิไปแล้วก็คือตัณหาความอยากนี่พอเห็นตัณหา พอเกิดเห็นอะไรขึ้นมาอยากได้ใจก็วุ่นละใจก็ไม่นิ่งละเห็นอะไรอยากได้ได้ยินอะไรก็อยากได้แล้วไม่อยากได้เกิดความลักเกิดความชามขึ้นมาก็เกิดความอยากภาะวะตัณหามิภาวะตัณหาขึ้นมา <c oughs> พอเกิดตัณหาขึ้นมาความสว บ, บที่ได้จากสมาธิกะจางหายไปพอเลยสองคนพบ ว, ว่าวิธีจะทำให้ ความสงบออกมาจากสมาธินี้ไม่หายไปยั่งยืนเท่าว น, นก็ต้องกำจัดความอยากนี้และการจะกำจัดความอยากนี้ได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากนี้มันเป็นทุกข์นั่นเองเห็นว่าเป็นตายแล้วเห็นว่าร่างยศเสริเส ร, เส ร, เสริญเห็นว่าลูกเสียงกิ่นล้นี้เป็นทุกข์อย่าไปอยากได้มันมาได้มันแล้วเดี๋ยวมันจะทาให้เราทุกข์ตอนต้นเราจะให้ความสุขกับเราแต่ไม่นะไม่ช้ากขนาดไรก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปหรือหมดไป พอมันเปลี่ยนไปหมดไปมันก็ทําให้คนที่ได้สิ่ ง, งนี้เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาทั้ง ส, งสอนให้เราพิจารณาตายละในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะได้มาให้ความสุขกับเราว่ามันเป็นทุกข์มันเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นของชั่วกราวเป็นอนัตตาเราก็พูดบังคับให้มันให้ความสุขกัเราไปตลอดไม่ได้ แต่พอเห็นสิ่งที่เราอยากได้เป็นตายรับว่าความอยากก็จะหดตัวเห็นว่าร่ำเงินทองได้มาบ้าไหลายก็ไม่เป็นของไม่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนได้มาก็อาจจะหมดไปได้เวลาหมดก็จะทําให้ทุกข์ได้ก็เลยไม่อยากได้เงินทองไม่ได้ไอยากได้ร่ำมุมสสนเสรินไม่อยากได้รูปเสียงจินวัตต่างๆพอความอยากเหล่า น, นี้ถูกกำจัดเป็นหมดใจก็สงบไปตลอด ท่านนี้คือจะเป็นความสง่งยืนแบบท้าวมอแต่มันก็แบ่งเป็นขั้นขั้นแบ่งเป็นสีขั้นขั้นโสดาขั้นสตินาคาขา้นนาคาแล้วขั้นพระอรหันต์ต้องคอยกําจัดความอยากหรืสัมยลดที่มีอยู่สิธประการนี้เป็นแล้วความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะกลายเป็นการสงบของพระนิพพานไปในที่สุดพอถึงพอสงบแบบท้าวนอแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรนะไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไป เพราะาตัวที่มันทนําลายความสงบบรรจุ ท, ทำลายไปหมดแนละ้วเหมือนเหมือนคุณหมอรักษาโรกคนไข้นี่ติดเชื้อเนี่ยเพราะพอเอยาค่าเชื้อไปค่าเชื้อลอกตายหมดแล้วคนไข้หายจากโรคแล้วก็ไม่ต้องกินยา ไ, ไม่ต้องให้ยากับคนไข้การปฏิบัติธรรมก็มาสู่จุดที่เรียกว่าวุตติธรมกรรมมจริยักินในกรรมจริยได้สิ้นสุดลงแล้วกินอื่นที่เหนือก่อนนี้ไม่มีไม่มีอีกต่อไปไม่ต้องทำนะํำอะไรแล้ว น้องตาบอกว่าหลังจากนี้ก็มีแต่กอ น, นัเนนหรืว่ากอนอเนนหรือเปล่ากินแล้วนอนอ๋ อ, อบผม <c oughs> เลยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีอะไรต้องทําลกินมีแต่กินแล้วนอนนะั่นรักษาธาตุฉันให้มันอยู่ไปวันรรวันหนึ่งแค่นึงครับหังนั้นไม่ต้องทําอะไรไม่มีงานอะไรไให้เราทำต่อไปครับพ<อ>เพราะเห็นว่ามันเป็นทุกข์หมดงานอะไรทั้งหลายในโลกนี้เป็นทุกข์ไปหมด เป็นของชั่วคราวก็มีอย่างเดียวก็ทำตามพระเจ้าคือเผยแผ่ธรรมะถ้าใครอยากจะศึกษามาศึกษาก็สอนไปแค่นี้ตอนนั้นก็ไม่มีกิจอะไรแล้วสำหรับตัวเองไม่มีกิจที่ต้องทำอีกต่อไปแล้วยังต้องสร้างความสงบความสง บ, บชั่วคราวก่อนต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตวนไปอน่างปะนาสมาธิ หลังจากนั้นพอจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาคายสกัดกั้นความอยาก ง, ง่ายๆ s i m p กถ้าวมาฟังก็มันง่ายๆมันมีแค่นี้เค่ประเด็นตรนี้ก็มีแค่นี้เองขั้นต้นทาจิตให้สงบด้วยสติให้ได้สมาธิแบบความสงบแบบชั่อข่าวก่อนพอจากสมาธิมาพอความอยากออกมาก็ใช้ปัญญาสอนความสอนใจว่าอยากได้แล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะ เพราะไม่เที่ยมมันไม่แน่นอนแต่เนทุกอย่างว่าไม่เที่ยมไม่แน่นอนไม่สามารถควบคุมบังคับได้ก็ไม่อยากจะได้อะไรอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอนิพพานก็คืออยู่แบบไม่มีอะไรนิบานนังวัลลางก์สุญญงอยู่กับความว่างดีที่สุดพราะความว่างนี่ไม่มีวันไม่มีวันหมดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีไม่เป็นอนิจจทุกข์ขอนักตาความว่า ถามว่ามันกว่างขอมันไปตลาดม่อร่ครับเพิงเคยได้ยินทางแรกครับอาจารย์กอนและนินเนี่ยครับอาจารย์ดเรื่อย่านเล่าอะไรให้ฟังเวลาคนถามว่านทำาะไรตอบไปนางักเสร็จกินแล้วแต่ว่ากก็กอนและนินึ่งอครับครับอาจารย์ครับมันยากตรง เรื่องทานเรื่องสีนี้พอไปได้แต่พอมาเรื่องการทําใจให้สงบอันนี้มันส่วนคนจะมาติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์คือมันไม่มีสติมันไม่มันไม่รู้กเคล็ดรับของการสร้างสติคือถ้าถ้าสร้างสติเป็นนี่มันก็สามารถที่จะนั่งสมาธิทําให้จิตรวมได้มันญาติตรงที่การฝึกสตินี่เพราะเราชอบปล่อยให้ใจเป็นอิสระ กิเลมันชาวความอิสระอยาจะทำอะไรอยากพูอะไรทำอะไรทำได้ทันทีทันใ ด, ดแต่มันจะทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจฟุ้งซ่านเราต้องมาฝึกควบคุมใจให้มันอยู่เฉยๆให้มันคิดน้อยที่สุดคิดเท่าที่จำเป็นด้วยสติสติก็มีมีหลากหลา ย, ายวิธีสร้างขึ้นมาเช่นจะมีสติเลนเนื่งอยู่กับ พุทโธพุทโธก็ได้อันนี้ก็เป็นการสร้างสติอย่างสติมีมีสติรู้อยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้อันนี้ก็เรียกากายกตาสติในเวลานั่งสมาธิก็มีสติดูลาหายใจเขา้ามันต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไป ค, คิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ถ้าสามารถควบคุมใจไม่ให้คิดได้ให้อยู่กับคำฐานคืนนนออารมณ์เหล่านี้อารมณ์ พุโทโก็ได้ลมหายใจเข้าออกก็ได้จิตก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายบางคนไี่นั่งแค่ห้านาทีจิตเขารวมได้ถ้ามีสติสัมปชัญญะสติที่ต่อเนื่องไม่พังไม่เผลออยู่กับบารมเดียวตลอดเวลาจนจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขัตตารมม์ขึ้นมาสัก่ว่ารู้ถ้าได้สติแล้วมันก็การปฏิบัติมันก็จะเคลื่นไหวไปได้อย่าง้วดเดียว อย่างที่พูเจ้าบอกว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเนี่ย้า้ผ่านขั้นขั้นแรกก่อนขั้นสติกับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมต้องทำแบบ professional ไม่ใช่เป็นมือสมัครเล่ น, เ, นเป็นเหมือนถ้านักกีฬาก็เป็นแบบมันกอโปรนี่เขาจะไม่ทำงานเลยนะเขาจะเป็นสติทอาบติกออ้่ทั้งวันทั้งคืนให้มันชำนานเลย ถ้าอย่ากจะเป็นหนา้ษษษาปฏิบัติทางมโปรเฟสชันแนลก็ต้องเนี่ยต้องกินเวสติทั้งวันทัคืนยกเว้นเวลาหลัก็ต้องไม่ทํางานอย่างอื่นเลยเพราะถ้าไปทำงานอย่างอื่นนี่ก็ควบคุมส ต, ติไม่ได้ก็ควบคุมใจไม่ได้ใจมันจะลอยไปกับเหตุการณ์ตา่างๆต้องไปเปกวิเว่ยอยู่คนเดียวเป็นบวชเป็นพระอย่างนี้นะเปรกเว่ถึงจะสามารถมีส ต, ติที่สามารถนั่งสมาธิแล้วเข้าสมาธิได้ พวกเราก็จะค่อยๆพยายามฝึกไปเรื่อยๆครับอาจารย์ครับผมขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับอาจารย์ครับจากคุณดำครับบอกว่าไก่ไข่ออกมาแล้วเราไปเอาไข่มากินทำให้แม่ไก่ไม่ได้ฟักไข่ออกมาเป็นลูกเจี๊ยบอย่างนี้เป็นบาปไหมครับคือไก่นันไข่มันมีอยู่สองชนิดนันอเทสนทสดตรินไข่ที่ไม่มีลูกไม่มีเชื้อที่จะทให้ฟักเป็นลูกออกมา อันนี้เขาก็ อ, อกมาขายให้กินไอ้ที่ใ น, นที่ฟักได้เขาก็ อ, อกไปฟักก็จะได้มีไก่วันนี้ยงเลยนันรู้สึกเขาแยกไว้สองส่วนนะครับไข่ที่เราซื้อในท้องตลาดที่เอามากินเนี่รู้สึกว่าจะไม่มีไม่มีตัวเท่าที่เข้าใจนะอันนี้ไม่ทราบมันขายจริงยังไงถ้าใครมีความเห็นยังไงก็บอกได้ก็ดี คุณตุกตาครับบอกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้เราจะทําจิตเราอย่างไรให้สงบได้ครับอาจารย์ก็ยอมรับว่ามันมีอะไรแน่นอนอะไรจะเกิดก็เกิดอยู่กับมันไปอย่าไปนอยากให้มันสงบอย่ากให้มันดีถ้าคิดอย่างนี้ก็จะเครียดไปตลอดเวลาใช่คิดว่ามันขึ้นได้ลงได้เหนทองก็ขึ้นได้ลงได้คุณก็ขึ้นได้ลงได้เศรษฐกิจก็ขึ้นได้ลงได้ ทุกอย่างมันมีการขึ้ น, ม, นมีการลงอยู่ตลอดเวลาก็าป่นมันขึ้นมันลงไปเหมือนกับน้ำที่นทะเลมันก็มีน้ำขึ้นน้ำลงถ้ามองทุกอย่างว่าเป็นเหมือนน้ำทะเลแล้วก็จะได้ไม่เครียดเพราะรู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเห็นน้ำทะเลขึ้นลงแล้วเราทำอะไรได้เไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปเพราะั้นงทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นเหมือนน้ำทะเลเป็นอนัตตาไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ มันมีเหตุมีปัจจัยหลายด้านด้วยกันที่ทําให้มันขึ้นมันลงดังนั้นถ้าเราอยากไม่เครียดไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปยึดติดกับอะไรปล่อยให้มันขึ้นปล่อยให้มันลงไปปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันดับไปแม้แต่ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันมันเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ในที่สุดมันก็ต้องดับไปตอนที่มันเกิดแล้วขั้นต่อไปมันก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายในที่สุดจะช้าหรือเลยวเท่าที่มันมีความต่างที่มีความต่างกัน น, นั่นนั่นนั่เหมือนกันคุณแว่นถามว่าทําไมนิพพานจึงเป็นบรมสุขครับก็มันสุขที่สุดยอดเนี่ยไม่มีความสุขอะไรที่จะเปรียบเทียบได้เปนความสุขที่ถาวระแต่ว่าไม่ต้องคอยไปไคอยเติมเงินอยู่เรื่อยๆความสุขบางอย่างนี่เราเขาก็คอยเติมเงินแน่อดูหนังแน่เสร็จนี่นนนนสินน้นเดือนก็ต้องเติมเงินถ้าไม่เติมเดี๋ยวมันก็ไม่มีให้เราดู อนิพานนี้ไม่ต้องเติมเงินมันสุกตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงไม่มีวันสิ้นสุดเวลาเจ็บป่วยจากโรคตั้งใจจะเอาสมาธิข่มแต่ทําได้ยากเหลือเกินครับช่วยแนะนําหน่อยครับอาจารยาา์ต้องฝึกให้มาก่าถ้าอยากจะใช้สมาธิต้องฝึกให้มากๆาถ้าฝึกมากๆาแล้วต่อไปจะทำได้สมาธินี่จะช่วยให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายได้ อาจารย์ครับแล้วตอนที่เจ็บป่วยนี่เราใช้ปัญญาไปเลยได้ไหมครับอาจารย์ก็ต้องใช้ควบคู่กันไงต้องใช้ควบคู่กันคือปัญญาก็สอนใจว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นตายรักเวทนานี้อาการเจ็บปวดนี่มันเป็นตายรักเราควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนกับหยุดฟ้าตางเหมือนนับขึ้นนับลงเนี่ยเวทนามันก็มีสลับไปวันนี้ก็เป็นสุขก็เวทนาบางทีก็เป็นทุกขก็เวทนาบางทีก็เป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์ แล้วก็คุมมันไม่ได้เหมือนกับน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยแล้วก็พยายามทําก็ต้องปล่อยมันปล่อยวิธีปล่อยก็ต้องทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้มีโอเบคาให้ใจเฉยเฉให้อยู่กับมันไปเท่านั้นถ้ามันที่มันไม่อยู่เฉยเฉยเพราะมันมีความอยากให้มันหายไปอยากได้สุขก็เวทนาไม่อยากจะได้ทุกข์ก็เวทนาไอ้ตัวนี้ที่ทําให้ใจทุกข์ใจเครียดต้องอยู่อนตัวนี้ด้วยการใช้สมาธิอยู่ม ด้วยปัญญาบอว่าอ ย, ย่าไปยาให้ยอมรับความจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทำใจอย่างไรในสภาวะสงครามครับก็ทำใจแบบอะไรจะเกิดก็เกิดจะตายก็ตายจะรอดก็รอดไม่มีใครรู้ คนรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปกรรมนรกสวรรค์เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากและไม่สอดคล้องกับชีวิตการทํางานในปัจจุบันอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะว่าหากมองข้ามความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไปก่อนเรายังสามารถเข้าใจเรื่องกรรมในทางพระพุทธศาสนาในมุมที่เป็นเหตุเป็นผลและนําไปใช้กับชีวิ ต, วตประจําวันได้อย่างไรครับอ่ถ้าทําผิดกฎหมายก็ติดคุกติดตารางเลนี่มันก็มี ตอนมีผลให้เราเห็นชัดชัดอยู่แล้วถ้าเราซื่อสัตย์สุจริแล้วก็จะไม่มีการถูกจับไปลงโทษเราก็จะอยู่อย่างปลอดภัยจากการถูกลงโทษต่างๆอันนี้มันก็เห็นอยู่เพียงแต่ว่าบางอาจจะมีกรณียกเว้นถ้าไม่ทําผิดฎหมายก็หลบนีไปอาจจะหลบหนีไปได้บ้างอาจจะซื้ออะไรไปทําให้ไม่สามารถติดคุกได้ก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ยกเว้นแต่ส่วนใหญ่ก็ทําไปคนจับก็พอเข้ไปพิจารณาหลักฐานนะก็มีการตัดสินก็ติดคุกกันเยอะแยะนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมเหมือนกันเรื่องของการทำบาปทางโลกเขาก็ไม่อยากให้คนทําบาปอยู่อยู่น้อยนวลเขาก็พยายามตามจับอยู่เรื่อยแต่บางทีจีด ค, ความสามารถมันก็ไม่ไม่ไม่ไมไม100ไร้อยเปอร์เซ็นต์ง่ยง่ายก็มีผู้ที่เลีนรอดหนีไปได้มากก็นี้ ถ้าเรามองก็ดีที่พวกที่ถูกจับเนี่ยที่หนีไม่ได้ก็มีอยู่เยอะเคยมีเรื่องทุกข์ใจแล้วไปบวชชีพราหม์รู้สึกสบายใจขึ้นมากเลยครับอาจารย์ก็ได้วางปล่อยวางเรื่องราวต่างๆไม่ไปคิดถึงมันไปบวช แ, แล้วก็เราจะได้ฝึกสตินั่งสมาธิทําให้เราเลิกเรื่องราวต่างๆไปทาให้จิตเราอยู่ในปัจจุบัน อดีตผ่านไปแล้วแต่บางทีเราชอบมาคิดพอคิดก็ทุกข์เครียดกับมันขึ้นมาอีกเพราะเราไปบวชไปฝึกสตินั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทำกิจกรรมที่ทำให้จิตเราอยู่ในปัจจุบันไม่ไปคิดถึงอดีตได้ใจเราก็สบายหรือไม่คิดถึงอนาคตอนาคตบางทีคิดไปก็เครีคยดอยเรื่องเช่นสงครามมันจะเกิดกับบ้านเราเราได้ออย่างเมื่อไห่ ไม่ไทัเกิดก็เครียดไปแล้วทุกไปแล้วครับคําถามเรื่องสองครามครับที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับเราแน่นอนควรเตรียมตัวอย่างไรและวางใจอย่างไรครับก็นี่แหละก็หน้าแต่ละคนจะวางใจย่อมเริ่มต้นก็ยอมรับความจริงแล้วมันก็จะไม่เครียดอะไรจะเกิดก็เกิดดีที่สุดก็คือ อย่งมากก็แค่ตายรองรๆแค่อ่อนสองอย่างที่เราครัวกันนะรครักับามอุ่นกับครัวภาพตายครั บ, รบไม่เปลี่ยนสมการเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์พ่อเอาเงินให้ลูกสาวถือครับแล้วให้พูดคําว่าสาธุแล้วนําเงินนี้ไปทําบุญตักบาตรอย่างนี้ลูกได้บุญไหมครับก็ขึ้นอยู่เพื่อว่าพ่อให้แบบไหนถ้าพ่อบอกลูก เอาไปใส่บาตรนะอย่างเงี้ยลูกไม่ได้บุญเพราะพ่อเป็นคนสัง่งเหยืนาอยู่ที่พ่อพ่อต้องการทําบุญก็เลยให้ลูกไปทําให้หน่อยลูกได้แต่เพียงรับใช้คําสั่งของพ่อเทันแต่ไม่ได้บุญจากการให้ทานถ้าอยากจะให้ลูกทําทานต้องเช่นให้ให้ค่าขนมแล้วก็ให้เขาก็จะไปบริหารจัดการเงินก้อนนี้อย่างไรก็เรื่องของเขาเขาจะไปซื้อขนมกินแล้วเขเปลี่ยนใจเอาเงินซื้อขนมไปใส่บาตรเขาก็จะได้บุญ ต้องเกิดจากเจตนาความต้องการของเราชอบสังเกตเวลาใจลอยว่าวิญญาณทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำงานเองทุกครั้งครับอาจารย์เพราะมันอน่อนตัวมันเน่ยมันทำตลอดเวลาพอมตตาขึ้นมารูกเข้ามามันก็รับเข้ามาสู่ใจหูก็ได้ยินเสียงตลอดเวลา ได้ตัดสินใจรีทายมาถือศีลปฏิบัติธรรมทิ้งเงินเดือนตำแหน่งทางสังคมครอบครัวไม่เข้าใจมองว่าประมาทแต่มองว่าไม่อยากเข้าวัดตอนอายุมากความคิดเห็นที่สวนกระแสทางโลกควรจะอธิบายครอบครัวอย่างไรครับก็บอกเราตามพระพุทธเจ้าง่ายๆพระพาก็สละราชสมบัติแล้วก็ไปบวชแล้วท่านก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเราก็อยากจะทําทตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง เดิมเวลาโมโหจะไม่เห็นอารมณ์ที่จะเริ่มโมโหตอนนี้เห็นอารมณ์นั้นตอนที่วิ่งเข้ามารับรู้ว่าโกรธโมโหแต่ยังไม่สามารถควบคุมให้ไม่โมโหา ห, าหรือโกรธหลังจากนั้นได้ครับขอเมตตาเพื่อนนาไปปฏิบัติฝึกฝนครับเวลามันยังโกรธอยู่แล้วก็ใช้คําบริกรรมพุทโธบายของสติไม่ให้ไปจ่ายไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธพอเราพุทโธไปชัดภาพหนึ่งเดียวมันก็เลยแล้วความโกรธก็หายไป ถ้าอยากไม่ให้มันโกรธอะไรก็ต้องไปที่ต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากของเรานี่แหละอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เขาได้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ให้กับเราเขาก็ไม่ทําตามที่เราอยากได้เราก็จะโกรธเขาขึ้นมาทันทีเราก็อย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปอยากได้อะจากใครให้ยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็จะไม่โกรธใคร อยู่ตัวคนเดียวครับตอนนี้วัยชาราเริ่มหว่นกลัวพยายามตั้งสติแต่รู้สึกอ่อนไหวอยู่ครับอาจารย์ก็ต้องพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วความอ่อนไหวมันจะหายไปตั้งสติอย่างเดียวไม่พอต้องนั่งสมาธิให้จิตรวมไม่ได้ให้จิตเข้าอัปปนาสมาธิให้ได้พอเข้าแล้วจิตก็จะสงบจะได้ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นจิตจะไม่รู้สึยกวาดกลัวความกลัวต่างๆจะหายไปหมดจากใจ นี่ระวานคือแปลตามตรงฟ e ีด o มตัวผมชอบการหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ไม่ต้องเสียเงินไปหาหมอครับคืออย่า่าเกิดทั่งนั้นนะถ้าตามยังมีร่างกายอยู่มันก็ต้องไปหาหมอไม่ช้าก็เร็วถ้านั่งสมาธิไม่ได้แต่วิปัสสนาได้แบบนี้จะมีโอกาสได้โสดาบันไหมครับยากเพราะว่า วิปัสสนามันจะเป็นแค่วิปัสสนาไม่ใช่เป็นวิปัสสนาคือพอมันเห็นทุกข์มันก็จะสู้ทุกข์ไม่ได้หนับความทุกข์ไม่ได้ละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ไม่ได้วิปัสสนาอย่างเดียวนี้ไม่พอมันต้องไม่ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนวิปัสสนานี้เป็นเหมือนกับพวกอ่การไปเป็นเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอย่างเงี้ยดับเพลิงแต่ถ้าเจ้าหน้าที่มันได้กินข้าวไม่ได้พักผอยหลับนอน ไม่มีแรงที่จะไปทํางานเนี่ยสมาธิคือเพื่อนเป็นแรงของของใจถ้าอยากให้ใจมีพลังที่จะเอาปัญญาไปสู้กิเลสเนี่ยต้องมีสมาธิต้องมีกําลังถึงจะไปสู้กิเลสได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทําใจยังไงเพื่อนๆ เ, เดือดร้อนเราช่วยเขาแต่เขาไม่คืนเงินเราเลยครับเยอะมากๆตัวเราก็เดือดร้อนเองครับ ก็เราลืมไปว่าการช่วยใครเราอย่าไปหวังหวังผลตอบแทนคืนช่วยเป็นการให้แล้วเราก็จะไม่เราก็จะไม่เดือดร้อนคิดว่าเป็นการทำบุญทาทานไปแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นการให้เขายืมไปอันนี้ก็เป็นความไม่รอบคอบของเราถ้าจะให้เขายืมก็ต้องมีอะไรที่เป็นหลักประกันว่าเขาจะต้องเกิดเนให้เราใช่ให้เขาวางทรัพย์อะไรเป็น เป็นการประกันหนักทรัพย์อะไรสักอย่างที่ดิ น, นหรือโฉนดอะไรถ้าอย่างนั้นเขาก็ยังจะต้องมาคืนเราถ้าเราช่วยแบบไม่มีอะไรก็ถือว่าวหานเข้าปากช้างไปแล้วอย่าไปหวังมันจะได้คืนเลยคิดว่าทำบุญทำทานไปดีกว่าแล้วจะสบายใจ ถามว่ารู้ซื่อเห็นรูปนามเกิดดับครับอยากจะสอบถามสภาวะธรรมครับก็รู้ไปถ้าไม่มีทุกข์ ก, ก็ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ามีทุกข์เม่อไหร่ก็ต้องรู้จักหยุดความทุกข์ให้ได้พระอาจารย์ครับบางคนบอกว่าทุกข์นี้พอแค่รู้แล้วมันจะดับไปจริงไหมครับอาจารย์ก็ลองดูสิเพราะมันทุกข์มันมีหลายระดับนะ ทุกเบากันขโมยกันไปสิบบาทรู้ว่าหายก็หายไปถ้าขโมยไปสักล้านหนึ่งหนึ่ ง, งมันจะหายหรือเปล่าทำสองข้อนะคะอาจารย์ข้อที่หนึ่งครับเวลานั่งสมาธิจิตวิเวกกายวิเวกเป็นอย่างไรครับคําว่าจิตวิเวกก็จิตสงบไะกายวิเวกก็เกิดกายสงบก่อนที่จะ ใจจะสงบได้จะกายต้องสงบก่อนคือกายต้องนั่งเฉยๆอยู่ในสาถานที่ที่สงบสงบัดไม่มีอะไรมารบกวนเมื่อเราเวลทําสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายเพราะกายไม่เวก่อนอย่าไปนั่งสมาธิที่สแถวสีแยกไฟแดงแล้วไปตามบาตามผักอะไราำนองนี้สาถานที่มีคนพุกพลาด ม, ม, มันไม่เวกมันไม่มมันไ่สงบมันอลัลลานมัน จะทําให้ใจเน่งไม่ได้ต้องไปหาที่สงบกายวิเวกก็คือไปหาที่สงบเช่นตามป่าตามเขาพระเจ้าสอนในสติปัฏฐานสูตรให้ไปนั่งตามคนไา้ต า, าให้าไปนนั่ง่ามคนไม้ก็คือให้ไปอยู่ในป่าปฏิบัติทําในป่าแล้วจิตก็จะวิ่งเวกตามมาเมื่อมีสติควบคุมไม่ให้คิดโปรงแต่จิตก็สงบเป็นสมาธิเึ้นมา ข้อที่สองครับเมื่อเรารู้สึกว่าจิตแยกออกจากกายแล้วเหลือดวงจิตดวงเดียวลอยเด่นไม่สนใจกายแล้วต้องทำอย่างไรต่อครับก็ให้รู้ไปเฉยๆก็สำคัญก็คือให้มันสงบถ้ามันยังไม่สงบก็ตอง ใ, ให้มันสงบให้มันมีความสมุขถ้ายังไม่ถึงจุดที่ความสงบที่เป็นความสมุขอย่างิ่งก็ต้องก็ต้องดูต้องภาวนาต่อไป ถ้าเราใช้พุโทโธก็คนรจะอยู่กับพุโทโธไม่ควรไปสนใจ เ, เรื่องการแยกของจิตกับกายนะให้อยู่กับพุโทโธไปหรือถ้าเราดูความรัอยูความหลงไปจนกว่าจิตจะรวมสักแต่ว่ารู้เราเกิดความสุขที่มาสะใจใจเราก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะตอนนั้นจิตมันจะไม่ทําอะไรมันจะเนี่ยงอยู่เฉยไปจนกว่ากำลังของสติอ่อนลงมันก็จะถอดลงมา ความอยากเกิดจากความคิดใช่ไหมครับทำยังไงหยุดคิดได้ครับคือความอยากมันใช่ความคิดเป็นเครื่องมือความคิดไม่ใช่เป็นต้นเหตุของความอยากความอยากเกิดจากความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์คิดว่าเป็นสุขอันนี้คือความหลงเห็นกงจักเป็นดอกบัวไงเพราะไปเล่นกับกงจักก็ถูกกงจักบานเอเราะว่าเป็นดอกบัว ถ้ามีปัญญาก็จะรู้ว่ากงจากเป็นกงจากดอกบัวก็เป็นดอกบัวถ้าเห็นกงจากก็ไม่เข้าหาไม่ไปเล่นกับมันถเห็นดอกบัวก็ไปเล่นกับดอกบัวได้เพราะดอกบัวไม่ผิดไม่ผิดไปโอเคต้องเห็นไตรักนะถึงแล้วก็เป็นเห็นเห็นไม่หลงก็ต้องเห็นว่าเป็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็นเห็นว่าเป็นสุขังอนัตตาอันนี้จะเป็นอนิจจังสุขังอนัตตาก็แสดงว่าหลง เวลาเราเดินทางไปไหนไม่ว่าจะนั่งรถหรือเดินต้องท่องคาถาอะไรถึงจะแคล้วคลาดจากอันตรายครับพูดผีปีศาจครับโ อ, อ้คาถาที่ต้องท่องก็สติขอให้คนขับรถขับด้วยสติอย่ามาเาล้าขับนอกั้กเราห้ามเราช่วยอะไรไม่ได้หรอกถึงเวล า, นานมันจะตายเวลาจะเกิดอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทำบุญอย่างไรถึงจะไม่เกิดในประเทศที่มีสงครามรุนแรงครับอ๋อแล้วกําหนดไม่ได้ทำบุญอย่างเดียวที่ไม่มาเกิดได้ก็คือไปนิพพานนะไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปบุแล้วไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วจะได้ไม่ต้องกลมาเกิดอีกต่อไปไม่ว่าจะเกิดในประเทศไหนก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปเราจะไม่รู้ไล่นะว่าประเทศไหนไม่มีสงครามมีสงคราม ประทตางที่ไม่มีสงครามในตอนนี้อาจจะวันข้างหน้าจะมีสงครามเกิดขึ้นก็ได้ครับนั่งสมาธิแล้วเหมือนวูบตกลงมาจากที่สูงแบบนี้เรียกว่าหลับหรืออะไรครับก็อยู่ที่ว่ามีสติรู้รู้รู้รู้ตัวตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าไม่รู้ตัวก็แสดงว่าหลับเข้าระวังหลับถ้ารู้ตัวตลอดเวลาหลังจากที่วูบลงมาก็ยังมีสติรู้สึกตัวรู้สึกได้สัมผัสกับความสงบที่เกิดจากข้ามสงบ เนิิิก็กว็วสสมมาาธธปถ้าเราให้ของคนที่มีฐานะดีกว่าเราแบบนี้เราได้บุญด้วยไหมครับได้ให้ใครก็ได้ทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะรวยกับเราหรือจนกับเราคนที่เขารวยกับเราบางทีเขาลาบเงินเรามาแล้วเขาก็ไปทําประโยชน์ต่อเช่นเวลาในหลวงเสด็จไปไหนบางทีก็มีคนถวายเงินบริจาคื่วมสทมทุนุ่วมกุศล ท่านก็ไปทำบุญต่อให้กับเราท่านไปทำบุญต่อไปต่อให้ใครก็ได้การให้คือเป็นการเสียสละแบ่งปันจะให้ในลักษณะไหนได้ทั้งนั้นประโยชน์คือความสุขใจก็จะเกิดขึ้นความสุขใจนี่รักะคือบุญแนะความสุขใจนี้จะอยู่กับใจไปเวลาร่างกายตายไปความสุขใจนี้ก็จะทําให้ใจเป็นสวรรค์ขึ้นมา คุณสิริพรบอกถามว่าพระอาจารย์ได้กลับมาเยี่ยมสระสงขเอิญจุฬาพร์อีกบ้างไหมครับตอนที่พระอาจารย์ไปภาวนาตอนนั้นสงบวิเวกดีไหมครับก็ไปครั้งเดียวไม่เคยกลับเลยก็ดีก็มีพระไม่กี่รุ่นสามสี่รุ่ตอนที่ไปอยู่พระอาจารย์ไปอยู่ที่นั่นนานไหมครับอาจารย์ครับเไม่นานนะบางท่านอาทิตย์ได้พอดีช่วงนนั้ก็มีเขาอุบัติเหตุเคื่องบินตก กลัวอาจารย์ท่านเสียชีวิตไปห้าลูกก็เลยเที่ยวกลับไปไปวัดดีกว่าเพร่มมีงานนี้ยที่นี่จะต้องทำช่วยด้ยกันครับภายในกลับออมาเวลาน้อมจิตเข้ามาภายในกายจะเหมือนกายเราภายในมีกระแสยิบยับยิบยับเช่นที่หน้าริมฝีปากผิวหนังหัวใจยิ่งตอนหลับตา ยิ่งรู้สึกถึงเห็นชัดถี่มากครับโยมจะต้องทําอย่างไรครับไม่ต้องไปสนใจกัรอหล่านี้มันไม่มีคุณประโยชน์อไใสิ่งนั้นต้องการก็คือให้สนใจว่าใจเราคิดปุ่มแต่งหรือเปล่ายัางคิดอยู่หรือเปล่าการนั้งเร่งเราสงบไว้อยู่ตรงที่ตรงนี้่ย ก, ก็พอช่วนอาการอย่างอื่นอย่าไปสนใจมันเป็นของของลอใจหรือหล่าใจเราเป็นมายาที่ทําให้เราไม่มีสติให้เข้าสู่ความสงบได้เลย ถนาเราโกรธเวลานั่งสมาธิเราควรจะมีอะไรเป็นเครื่องผูกใจเช่นคำบริการพุโทโธแล้อดูประหม่าใจก็แล้วอะไรจะเกิดเครน่องที่นนยไปสนใจผูกใจให้อยู่กับอารมณ์เหล่านี้นั่นใจก็จะได้เข้าสู่ความสงบได้ใส่บาตรและกรดน้ําแบบแห้งอย่างนี้ได้บุญไหมครับคือใส่บาตรได้บุญอยู่แล้วจะอุทิศก็ไม่อุทิศได้ใน เ, เรื่อ ถุ้ทิก็จะได้บุญจากการอุทิศด้วยจอะอุทิศแท่งหรืออุทิศน้ำก็ได้เหมือนกันผมตั้งสัจจะเลิกเหล้าเบียร์อบายามุกตลอดชีวิตซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เห็นการผิดศีลเป็นเรื่องปกติกับขออุบายวางใจเกี่ยวกับโลกธรรมที่กําลังเผชิญครับพระเจ้าทรงสอนให้เราเลือกคบคน อย่ากเคาคนว่าคนไม่มีศีลมีธรรมให้เคาะคนจลาดคนที่เห็นคุณค่าของศีลธรรมคนที่ไม่เห็นคุณค่าของศีลธรรมก็อย่าไปเคาะเขาเพราะเขาจะเดึอดให้เราไปทําผิดศีลธรรมของเขานั่นเองในชีวิตคนเรามักมีการทําบาปหลายอย่างเช่นเคยขมโมยเงินคนอื่นเพราะโลภและเคยฆ่าคนด้วยโทสะส่วนบุญไม่ค่อยทํา เมื่อตายไปอบายจะไปในภพที่หนักสุดที่เดียวคือนรกหรือต้องเป็นเปรตและไปนรกด้วยตามที่ทำไว้ทุกกรรมครับคือเหตุที่ให้ไปในสภาพในอบายต่างๆนี้มีเหตุอยู่สี่ประการทั้งมีอบายสี่ถ้าทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นบาปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นนสุนรตภัย ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบา ย, ย, าบายก็จะไปนรกมันมีอยู่สี่สาเหตุของการไปอาบายสี่ที่ด้วยกันถ้าคนเราก่อนที่จะตายตั้งแต่ตั้งสติให้อยู่กับลมหายใจไม่คิดถึงอะไรเลยเราจะเข้านิพพานใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกนิพพานองกับจัดคำอยากให้หมดประจากใจให้ได้ สำหรับคนป่วยที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเราควรพูดให้กำลังใจอย่างไรดีครับก็ถ้าไม่รู้ก็มไม่ต้องไปพูดดีกเขาอยากจะไปก็ป่ไยเขาไปาไมันแล้วก็พูดอะไรไม่ได้จะทำยังไงถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ฝึกให้ถ้าเรานั่งสมาธิเราต้องรู้ไหมคะว่าตอนนี้ถึงขั้นไหนปฐมฌานทุติยฌานครับ คือขอให้รู้วิธีนั่งที่ถูกต้องก็พอคือนั่งแบบมีสติส่วนผลนี่ย่อมอยู่ขั้นไหนไม่ต้องไม่สำคัญไม่จาเป็นจะต้องไปสนใจว่าตอนนี้อยู่ขั้นไหนแล้วขอให้มันทำไปจถึงขั้นที่สงบก็แล้วกันที่จิตนิ่งสงบแล้วเกิดความสุขที่มาจะจดใจขึ้นมาแค่นี้ก็พอ ผมอยากสอบถามครับที่บ้านส้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้พระสงฆ์และแม่ชีอยู่เป็นสถานที่ส่วนบุคคลแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีพระและแม่ชีอยู่แล้วแต่ยังมีสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าจํานวนมากเราสามารถนําของเหล่านั้นกลับมาใช้ส่วนตัวที่บ้านได้ไหมครับก็ขึ้นอยู่ว่ามันใครเป็นเจ้าของอถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วเอามาใช้โดยพระาาราชกันมันก็เหมือนกับไปเอาขโมยของคนอื่นมาใช้ ถ้าเราเป็นาของเองเราก็มาใช้ได้ทําไมเวลาที่เดินจงกรมแล้วกลับมานั่งสมาธิต่อรู้สึกจิตนิ่งสงบได้ไวครับเพราะอะไรครับเพราะมีสติมากขึ้นนี่มีคนมาขอยืมเงินบอกจะคืนให้พรุ่งนี้แต่ไม่ได้คืนบอกว่าเขาโดนมิจฉาชีพหลอกอย่างนี้เป็นเพราะกรรมเก่าของเราใช่ไหมครับ พเพราะเาโง่งเราป่าถ้าไม่อยากให้เขาขึ้นกองเราเราก็อย่าไปให้เขายืนตั้งแต่ต้นยอมมันก็จบ ก, การเห็นร่างกายเกิดดับตลอดเวลาทําให้เห็นความไม่เที่ยงใช่ไหมครับก็ต้องนึกถึงความตายตลอดเวลาเพราะจะรู้ว่าร่างกายในที่สุดก็ต้องถึงการความตายเป็นของไม่เที่ยงอยู่ไปไม่ตลอดนอดฟัง ไม่ไม่กลับหนักไม่ตื่นพื้นไม่มีคุณพ่อเสียชีวิตไปสิบกว่าปีปีแล้วครับตอนท่านยังอยู่เรารู้สึกเสียใจที่ก่อนท่านจะเสียมีมิจฉาทิฐิทำได้พ่อเสียความรู้สึกเสียกำลังใจครับอาจารย์เรื่ อ, อ, อของท่านมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเท่าไหร่นะไปเสียใจทำไม ควรนำมาเป็นบทเรียนสนใจว่าเราพยายามรักษาสมารถทิฏฐิของเราวาให้ดีกันแล้วกันอย่าไปตามรอยพ่อถ้าเราเอาโหสิกรรมไม่จองเวรหายโกรธเพื่อนไปแล้วแต่เพื่อนยังโกรธอยู่เวรกรรมจะตามไปชาติหน้าไหมครับเขาตามเราเราไม่ไปตามเขาเราไม่ไปตามจองเวรจองกรรมของเขาแต่เขายังจองเวรจองกรรมเราอยู่เขาก็จะตามเราไปต่อ ขอโกาศครับมีพระที่ท่านบอกว่าชาตินหน้าท่านจะไม่ต้องมาเกิดแล้วท่านบอกว่าจริงๆแล้วสติเป็นอนัตตาเราไม่สามารถทำให้สติเกิดได้ตลอดเวลาและพระอาหารหันต์ไม่ได้มีสติตลอดเวลาแบบที่เราเข้าใจเพียงแต่อยู่กับจิตว่างบางทีพระอาหารหันต์ก็เผลอพูดผิดได้จริงไหมครับก็มไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ขอตอบป็นก็ไม่นันึ่งก เราฟังหวไหวหกันแล้วกันเอาไปพิสูจน์ดูไปปฏิบัติดูถ้าถือศีลแปดในวันพระอย่างนี้สามารถที่จะทาโลชั่นกันแดดได้ไหมครับถ้าทาเพื่อรักษาได้รักษาผิวได้อยู่แต่ถ้ารักษาทาทาเพื่อความสวยงามเพ่ไม่ได้ <S <S การฟังพระอาจารย์สอน เรื่องการนั่งสมาธิแล้วนําไปปฏิบัติตามถือเป็นการปฏิบัติแบบมีครูบาอาจารย์สอนสั่งแล้วใช่ไหมครับและความรู้สึกเหงาเกิดจากความฟุ้งซ่านของใจต้องการต้องใช้การฝึกสมาธิเพื่อให้มีสติและจิตใจที่เข้มแข็งถูกต้องไหมครับถ้าเรามีสตินั่งสมาธิจิตสงบจิตก็จะหายฟาุ้งซ่านนการที่มีการเรียนนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีมีครูมานั่งสอนตลอดเวลา การหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์เนื้อของพระพุทธเจ้าก็ถือ่มีครูเหมือนกันกาพะอาจารย์ครับกดไตรักษและกฎแห่งกรรมกดธรรมชาติทั้งสองข้อนี้ทำงานซ้อนกันอยู่ไหมครับเช่นร่างกายเจ็บป่วยเข้าใจว่าร่างกายเป็นไตรักษและก็เป็นกฎแห่งกรรมทำงานจึงได้เจ็บป่วยคำถามคือถ้าเราพิจารณาไตรักษ์อย่างเดียวพอไหมครับหรือจำเป็นต้องน้อนมนำกฎแห่งกรรมมาพิจารณา ด้วยกันครับอ๋อก็แทงเก่าเนี่ยมันเกี่ยวกับจิตใจแต่กดตายแล้วนี่เกี่ยวกับร่างกายถ้าเราทําดีจิตใจเราก็มีความสุขถ้าเราทำบาปแล้วจิตใจเราก็จะมีความทุกข์อันนี้เรื่องกดฉุนกับกดแทงกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจในเรื่องของร่างกายร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เป็นทุกเพราะว่าเราไปใช้จิตใจไปยึดจวนัง่งกายอยากให้มันไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้คนละเรื่องกัน mm hmm. กฎใต้ร่างนี้เกี่ยวกับร่างกายกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกของร่างกายเช่นรางยึดสนับสนุนสูนี้เป็นกฎใต้ร่างทั้งหมดแต่กฎวองใจนี้เป็นตัวที่กําหนดให้ใจอไปในโลกไปสวรรค์ไปนิพพานนี้เป็นเป็นกฎแห่งกรรมมันพุ่งพากาหนดไป สามีเสียลูกไปทํางานต้องอยู่ลําพังฝึกมีสติแต่มีบางทีเหงาครับก็รู้ว่าเหงาทําอย่างไรจิตจะแข็งแกร่งขึ้นครับก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆ อ, อดทนว่าเวลาเหงาก็พยายามพยายามีสติมากขึ้นควบคุมใจไม่ให้ไปคิดแล้วให้สงบได้อาการเหงาก็จะหายไปชัว่วคราวอาการจิตรวมตอนนั่งสมาธิเป็นอย่างไรครับ แล้วหากจิตรวมแล้วเราควรทำอย่างไรต่อไปครับอันนี้มันจะรู้เองเวลาให้เรานั่งไม่ต้ไม่นัง่นงสนใจเพราะพูดไปมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเหมือนกับการกินข้าวอิ่มแล้วเป็นยังไงเ่กินอิ่มแล้วจะต้องทำอะไรต่อมันก็รู้กันเองะกินอิ่มแล้วจะไปทำอะไรต่อก็หยุดกินครั บ, รบพอเริ่มต้นนั่งสมาธิหลับตาแล้วท่องพุโทโธ ตอนหายใจเข้าและออกแต่เหมือนไปบังคับควบคุมลมหายใจมากกว่า ก, า, การดูลมหายใจขอแคำแนะ น, นำพระอาจารย์เพื่อไปปฏิบัติครับก็อย่าไปดูลมหายใจก็ได้ถ้าจะใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่น่าไปสนใจถ้าเราคิดว่าเราไปควบคุมบังคับการหายใจก็อย่าอย่าไปดูลมหายใจเลยใช้พุโทโธอย่างเดียวก็พอโดนทารยศนอกใจเป็นเพราะกรรมของเราหรือเปล่าครับ เป็นเรื่องอนิจจังไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้คนที่เราครบนีนวันนี้เขาดีพรุ่งนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ให้มองใอห้ดีกว่ า, าต่อไปเราจะได้ไม่อยากจะคบกับใครเพราะไม่มีใครแน่นอนนะไม่มีใครที่รับประกรันได้ว่ า, า จ, จะดีชั่วชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมวันดีคนดีมันก็มีเหตุการณ์มีเหตุมีปจัจจัยทําให้เขาเปลี่ยนไปก็ได้ ขอโอกาสสอบถามครับคุณแม่ท่านหวงของเก็บของทุกอย่างตั้งแต่กล่องพัสติกต่างๆจนถึงเครื่องใช้ที่ชำรุดไม่สามารถทิ้งอะไรได้บ้านสกรปรกมีแนวทางอะไรท่านปล่อยวางได้บ้างไหมครับเราคนจะปล่อยวางมากกว่าไม่ใช่ท่านหรอ <c oughs> เราปล่อยวางปล่อยท่านไปตามเรื่อ ง, องท่านดี่ก่อนเราจะได้สบายใจทุกวันนี้เราไม่สบายใจเพราะเราไม่ปล่อยวางท่านเราอยากให้ท่านเป็นตามความอยากของเรา พอไม่เป็นไปตามความอยากของเราเราก็เลยไม่สบายใจงั้นปล่อยวางดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คุณแม่ปล่อยเราปล่อยปัญหาเพื่อจะอยู่ที่ปัญหาของเราเราเราแก้ปัญหาของเราได้แต่เราแก้ปัญหาของคุณอื่นไม่ได้หรอกถ้าจิตไม่สงบจะทํำยังไงครับตอนที่กําลังโกรธหรือมีอารมณ์อื่นๆครับท่องท่องบริกรรมพุโทโธไปแล้วสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ทําห้เราโกนถ้าเราสํานึกถึงบาปที่ตอนเด็กได้เคยฆ่าสัตว์ไว้มากเราจะมีวิธีการใดลดผลของบาปให้น้อยลงได้ไหมครับลดไม่ได้หรอกแต่เราจะสามารถสร้างบุญขึ้นมาเพื่อต้านผลของบาปไม่ให้มันเกิดขึ้นก่อนได้ถ้าเราทําบุญมากกว่าทำบาปถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปในใจเราบุญจะส่งผลงก่อนบาป ถ้าถ้าเราอยากจะให้บาปไม่ส่งผลเราก็พยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆให้มันมากกว่าบาปอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่ส่งผลขอถามธรรมะเรื่องการปฏิบัติครับเวลาดีฉันนั่งสมาธิได้สัมผัสในสมาธิเย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นยะเยือกมากๆเหมือนน้ําแข็งครับร้อนก็ร้อนเหมือนไฟอ่อนก็เบาเหมือนนุ่นแข็งนี่ตัวแข็งเหมือนหินเลยครับ ในที่สุดไม่มีตัวตนแม้แต่ลมหายใจก็ไม่มีมีแต่จิตอย่างเดียวแต่รู้ว่ามีแต่ความสุขที่ละเอียดมากๆความสุขอื่นใดจะเหนือความสุขของความสงบไม่มีอยากทราบว่าดิฉันปฏิบัติถูกทางแล้วหรือไม่ครับก็แล้วแต่เป็นความสุขจริงหรือเปล่าความสุขแน่ถ้าเรายังไม่มั่นใจเรามันก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นความสุขจริงก็ได้ไม่ต้ถ้าเป็นความสุขจริงก็ไม่เห็นจะต้องถามใครมันเจอพอใจของมัน การศึกษาพระอภิธรรมดีไหมครับก็เป็นวิธีหนึ่งในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้แล้วแต่ความพอใจของผู้ศึกษามีพระท่านบอกว่าชาติหน้าท่านไม่ต้องมาเกิดแล้วไม่ได้วการทาการบ้านความแก่เจ็บตายการพัดพรากให้สอบผ่าน ต้องใช้ธรรมะข้อไหนมาปฏิบัติครับถ้าเรามีสติกับปัญญาในยุทธศาสตรผ่านได้ก็ต้องมีสมาธิและปัญญาสติทำให้เกิดสมาธิพอมีสมาธิสมาสมาธิก็จะปล่อยวางร่างกายไนดะ้ถ้าใจถ้าใจสอนว่าอย่าไปยึดไปติดการยึดติดในร่างกายจะทําให้ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางต้องใช้สมาธิเป็นตัวปล่อยปัญญาเป็นตัวสอนให้ปล่อย ทำงานเป็นสัตวแพทย์ที่ต้องดูแลสุขภาพสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อส่งโรงงานอย่างนี้เป็นบาปไหมครับส่งโรงงานไบฆ่าอย่างนี้มันก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทำยังไม่บาปเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเองแต่เป็นการสนับสนุนการฆ่าของสัตว์เหล่านี้ เราสามารถสร้างสติและปัญญาผ่านกิจวัต ร, รการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันได้หรือไม่ครับด้านสติอย่างเดียวคือให้มีสติคอยก็อดดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายมันก็จะทำให้ใจเราไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเร น, นี้ได้อันนี้ก็เป็นการเจริญสติในเรื่องของปัญญานี่เราต้องใช้ความคิดพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างาไม่เที่ยงถึงจะเป็นปัญญาขึ้นมา อาหารที่คนใส่บาตรพระตอนเช้าแล้วแต่มีคนขอเอามากินก่อนอย่างนี้เป็นบาปไหมครับตามหลักไว้ไหน่อยนี่ท่านห้ามไม่ให้อ า, อาหารไปแจกคนอื่นก่อนน่ามาแบ่งกับพระก่อนอยกเว้นว่าจะเป็นวันวที่ท่านให้ให้พระแต่ละรูปนี่จัด ก, การเป็นของส่วนตัวได้คือบินทบาตกลับมาใครอยากจะขอท่าน่าให้ได้ถ้าเป็นของท่านเองแต่ถ้าเป็นสายวัดป่าเนี่จะถือว่ายังไม่ได้เป็นของ ของพระองค์เดียวมันถึงแม้จะได้อาหารมาก็ต้องมาม า, มาแบ่งกันที่ศาลาก่อนมาแจกจ่ายให้กับพระเนรให้ทั่วถึงก่อนแล้วหลังจากที่ฉันเสร็จถ้ามีเหลืออยู่ใครจะมาข อ, อก็ให้เขาไปได้เราสามารถสร้างสติปัญญาอันนี้ผ่านไปแล้วการละสั่งโยน์จาเป็นต้องละจากข้อหนึ่งก่อนหรือไม่ครับสามารถข้ามไปละข้อการมราราคาก่อนได้หรือไม่ครับ ก็ตามแนวทางนี้ก็ทํางอาจสอนให้ละเป็นตามเป็นข้อๆไปเป็นชุดๆไปไว่าก็เช่นชุดแรกก็ต้องสามข้อแรกเนี่ยแล้วตนันด้วยอีกสองข้อแรกข้อสองข้อต่อมาเป็นห้าข้อแล้วที่เหลืออีกห้าข้อก็เป็นอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเป็นชุดหนึ่งถ้าตัดกางมาราคาด้านนี้ก็พระอรหันต์แล้วไม่ใช่ครับอาจารย์พระอนาคามีพระอนาคามีใช่ครับพระพอาารหันต์นี่ต้องตัด มานะการถือตัวตัดความติดแต่งรูปฌปานและรูปฌานําในการไม่สามารถเอในการพิจารณาแบบโดยเถินก็คุณการพิจารณาไม่ให้อยู่ไม่ให้ฟุ้งซ้านไม่ได้เวลาพิจารณาปัญญาหรที่มัญอาจะมบรรูุเร็วๆอยากจะรู้มาเข็ดอยู่เรือพิจารณาอยู่ให จ, จิตมันไม่สงจิตฟุ้งซ้านขึ้นมา ก็กลายเป็นนิวรณ์กลกลายเป็นสังโยชน์ขึ้นมาเขาต้องจับพอดีท้าพิจารณาไปแล้วจิตเริ่มฟุ้งซ่านก็หยุดพิจารณาก่อนพกกาจิตเข้าไปในสมาธิก่อนแล้วพอจิตหาย ฟ, ฟุ้งแล้วเอาไปกลับมาพิจารณาใหม่จนกว่าจะเห็นชัดเจนเห็นตจละเห็นระยะสัตย์สียชัดเจนก็จะปล่อยวางได้กําลังเผชิญหน้ากับความโกโรธครับกาลังทะเลาะกัน มีการทำอย่างไรถึงจะดีขึ้นหรือเกิดรอยแผลในการทะเลาะให้น้อยที่สุดครับให้อภัยแล้ยอมหยุดเย็นยอมแพ้ยอมแ พ, มพ้หยุดต่อสู้แต่เราก็จะเย็นแพ้เป็นพาชนะเป็นลายรคยได้ยินคำนี้ไหมเคยครับอาจารย เพื่อนข้างบ้านชอบซื้อซื้อซื้อ อ, อาหารมาให้ใส่บาตเป็นประจําครับแบบนี้เราได้บุญไหมครับก็ะเด็ที่ว่าเขาซื้อมาแล้วเขาฝากเราใส่บาตรหรือเปล่าถ้าว่าฝากเราใส่บาตเราไม่ได้บุญจากการใส่จากของที่เราไปใส่บาตแต่เราได้บุญจากการช่วยเหลือก็รรับใช้เขาคนละบุญกัน เวลาฝึกสมาธิต้องใช้ความอดทนขันติในความเพียรสติต้องตั้งมั่นในคำบริกรรมพุทโธใช่ไหมครับใช่การที่เราเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นปลากบเพื่อขายต่อให้ผู้อื่นฆ่าถือเป็นบาปหรือผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่ครับยังไม่บาปแต่เป็นอาชีพที่ไม่เป็นสามาชีพเป็นอาชีพที่ไม่คนกระทำเพราไปเกี่ยวข้องกับชีวิตชุมน ถ้าไม่ชี้ชูเขาถึงแก่ความตายได้เมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วไม่ต้องมีรถน้ําศพไม่ต้องสวดอภิธรรมไม่มีการจัดงานศพนําร่างไปเผาเลยได้หรือเปล่าครับเพราะเราไม่ยึดแล้วครับได้แต่เราสักคนที่เขาอยู่เขายังยึดอยู่เขอว่เาเราไปสั่งเขาไม่ได้แล้วเวลาเร า, เร า, เราตายนะ หลวงตาท่านก็สั่งไว้ว่าตายปั๊บก็ไปเผาได้เลยแต่เขาว่าเขาคนอยู่ก็ไม่ยอมคนอยู่ก็ต้องสวดก่อ น, นท่านหลวงตาท่านก็คอยบอกว่าไม่ต้องมาสวดให้เรานะกุศลานี่ท่านหลอดกุศลานี่ทำต้องทําก่อนตายไม่ใช่มารอให้เขามาสวดให้ตอนตายท่านีิสวยก็ยังจัดงานสวดให้ป้าว่าต้องสวดกุศลาอยู่ครับ หลวงตาท่านห้ามสร้างด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ห้ามสร้างท่า้างท่านาาบอกให้ชาเกณีข้สร้างกันไยน้นะครับอภัยกับธรรมทานอันไหนทานสูงสุดครับออ ก, การให้ธรรมะเป็นการให้ที่สูงสุดเพราะเป็นประโยชน์มากที่สุดให้ธรรมะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ให้ อ, อื่นนี่ไม่สามารถทําให้ใจหลุดพ้นได้ การรู้ว่าเรากำลังโกรธแบบนี้คือการเห็นจิตใช่ไหมครับเห็นความโกรธนทางพิธตอบสามารถสง่งคำถามเพิ่มเติมได้นะครับในภาวะศึกสงครามเราควรเจริญปัญญาตามหลักธรรมข้อใดนอกจากการมีสติและผอมวิหารสีครับก็มีท่่นี้แหละก็พอแล้วมีสติกับผอมวิหารสีแล้วก็มีตายรักอีกกันหนึ่ง ไมีปัญญาว่าทุกอย่างไม่มีแรงเที่งแท้แน่นอนมีก้อนมีดับเป็นธรรมนามีช่องสอนธรรมะช่องหนึ่งบอกว่าการให้อาหารสัตว์เทียบเท่ากับการใส่บาตรพระสงฆ์คำกล่าวนี้จริงไหมครับก็บนได้เท่ากันนะสำหรับคนเอาเงินว่าบาตไปใส่บาตรเอาเงินว่าบาตไปซื้ออาหารให้สัตว์เนี่อันที่สองคือที่เกิดจากการให้เนี่มันเท่ากัน คือใจไม่ขาดส่งผลกันถ้าเรามีกรรมที่เคยทํามาในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันจะต้องส่งผลไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้กรรมนั้นย่อมให้ผลใช่ไหมครับสิ่งที่เราทําได้คือยอมรับและไม่สร้างกรรมต่อใช่ไหมครับก็มันก็เกิดาการที่เรามาอยู่นี่ก็เป็ น, ปนผลของกรรมที่เราทํามาในอดีต ท, ทุกคน ที่เรามาอยู่นล้วมีความแตกต่างกันก็เป็นเพราะกรรมที่เราทํามาไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางคนก็มามาอยู่รวยบางคนก็มาอยู่จนมาเกิดจนเกิดรวยบางคนก็ฉลาดบางคนก็โง่เ น, นี่ยอันนี้ป็นผลพิการัองนั้นนะการทที่เราทํามาใน น, นี้สถานะของฝ่ายตกตรงข้ามเป็นใครจบแบบไหนจึงจะเข้าใจกัน และส่วนรวมต้องได้ประโยชน์มากที่สุดแนวคิดหลายอย่างใช่ไหมครับอ่านไม่เข้าใจคุณกันยาลองเขียนกัญญาครับครับผมการกระทําของทรัมป์บาปไหมครับไม่อยากจะมีภาพวิจัยคนอื่นนะอันนี้ก็มันผิดศีลหรือเปล่าข้าเองก็นี้ทําข่าพูดด้วยตนเองรู้สังให้พูดไหมข่าให้มันก็บาปเหมือนกัน ตั้งแต่คุณแม่เสียไม่เคยฝันเห็นท่านเลยครับก็ไม่เป็นปัญหาเเห็นไม่เห็นก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาเจิตสุดท้ายของมนุษย์ถ้ากรณีฝึกฝนมาเสมอน่าจะชินกับความวางเฉยได้ถ้าเจอบุคคลที่เราไม่ทราบว่าจิตผู้นั้นยึด ต, ติดอะไรไหมหรือปล่อยวางได้เราจะนำพาผู้เดินทางเวลานั้นอย่างไรที่ถูกทางมีคุณค่าที่สุดครับ นำทางก็ไม่ได้หรอกก็ต้องเป็นผู้นำทางตัวเ้าเองเกาต้องฝึกฝนอบรมตัวเ้าเองมาการบริจาคโลหิตเป็นประจำกับการกับการให้ร่างกายตอนตายไปแล้วอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันครับการบริจาคโลหิตเพราะเรายังรู้ว่าเราได้บริจาคของไปแต่เวลาเราตายเราไม่รู้ว่าร่างกายเราเนี่เราได้บริจาคจริงหรือไม่เราไม่รู้ ตอนนั้นเราจะไม่ได้ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยในตอนที่เราไปชีวิตอยู่เราอาจารย์เมื่อไปเราจะมีความรู้สึกมีความสุใจกลัขึ้นมาคำว่าจิตรวมหมายถึงชาญนสี่ใช่ไหมครับหรือแค่ชันหนึ่งครับชาญนสี่รูปอ ร, รูปรชาลุบชาลุบชาลุบชาบควบามโกชาากุบชาลาจารย์คาับ ก็เนี่ยเโกรก็พยายามบารมีพุทโธพุทโธไปแล้วสวดวนไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธอยูความโกรธที่เกิดก็หายไปถ้าอยากจะให้ไม่โกรธเลยเราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากนี้ทำให้เราโกรธเราเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ทังใจอยากเราก็จะโกรธงั้นอย่าไปอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรอาจารไม่โกรธใครพยินดีตามมีตามเกิด เวลานั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธหลับตาหรือลืมตาจะได้ผลมากกว่ากันครับถ้าที่จะพิามารณาหลับตาจะได้ผลนี้กครัเพราะลืมตาบางทีมันจะมีะกิเลสมันจะออกมาทางตาไนะ้มันจะไปเห็นนู่นเห็นนี่ขึ้นมาแล้วตรงแต่งขึ้นมาได้ถ้าหลับตามันก็จะไม่เห็นอะไรเอาเวลาสามารถควบคุมให้อยู่กับพุทโธได้ดีกว่านั่งง่ายกว่า บุญที่มากที่สุดคือบุญที่เกิดจากการสร้างวิหารจริงไหมครับบุญที่มากที่สุดคือบุญที่เกิดจากการบรรลุพันธิพานธ์นะบุญที่มากที่สุดเวลาอยู่ลําพังหรือนั่งสมาธิแล้วรู้สึกมีความสุขครับี ขณะกำลังนั่งสมาธิรู้รู้สึกนิ่งไม่ได้คิดอะไรมีแต่ท่องพุทโธอย่างนี้ถือว่าเข้าสมาธิแล้วใช่ไหมครับก็ในในระดับงแต่ยังไม่เต็มที่ไม่เต็มน้อยถ้าเต็มน้อยจิตจะนิ่งสงบจะเบาจะเย็นจะสงบจะสบายวิธีทําให้จิตใจสงบเราจะต้องฝึกอย่างไรครับให้มีสติควบคุมใจอย่าให้คิดปรุงแต่ง นั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยอย่างต่ำวันละหนึ่งชั่วโมงถ้าช่วงไหนไม่ได้เจอความเจ็บปวดมากไม่ได้อยู่กับความเจ็บปวดตั้งแต่มันเกิดแล้วจนมันดับของมันไปเองซ้าไปมาความเพียรจะต่ำลงทำไมเป็นเช่นนั้นครับก็มันไม่แน่นอนอนะนี้แล้วแต่เราวันไหนถ้าเราได้ผลดีเราก็จะมีความเพียรมากขึ้นเพราะมันได้กาลังใจป็นไหนที่ทำแล้วไม่ได้กนนาลังใจความเพียรก็อาจจะน้อยลง ความศรัทธามันน้อยลในการปฏิบัติก็มีการขึ้นลงได้ปัจจัยหนึ่งก็คืออยู่ที่ผลที่เราได้าจากการปฏิบัติถ้าได้ผลดีมันก็จะมีความเพลิมากขึ้นถ้าได้ผลไม่ดีมันก็อาจจะลดลมก็ได้การนั่งสมาธิเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าเรานั่งสมาธิได้ถูกต้องเพราะบางครั้งเราคิดถึงเรื่องราวต่างๆผ่านเข้ามาครับ ถ้ายังคิดอยู่ยังไม่ถูกต้องต้องไม่คิดอะไรสิ่ง น, นี้ถูกต้องให้รู้เฉยๆสวดมนต์แล้วมาดูติตอบบาปไหมครับไม่บาปอยากรู้ว่าเวลาทำบุญอยากได้บุญมากๆเพื่อไปแผ่ให้หมาแมวที่เลี้ยงไว้อย่างนี้เรียกว่ากิเลสไหมครับและยิ่งอยากได้บุญจับไม่ได้ถูกต้องไหมครับ คือบุญนี่เกิดจากการทำไม่ใช่เกิดจากความอยากเห็นถ้าอยากได้บุญมากๆก็ต้องทำบุญมากๆส่วนได้วันวน่าจะเอาไปเอาไปฝากใครนั่นก็มันฝากไม่ได้นอกจากบอุทิศให้กับผู้ที่โลกเราไปแล้วได้นั้นเองแต่คนคนเป็นในีเราไม่สามารถเอาบุญไปฝากก็ได้นอกจากให้เขาทำเองเท่านั้นเขาถึงจะได้บุญ การทําบุญกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีมากกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีน้อยหน่อยผลที่ได้ต่างกันมากไหมครับผลมีสองส่วนเนี่ยที่เคยพูดเสมอเวลาทําบุญให้ทานเนี่ยเวลาทำผลที่ได้จากการให้ของไปเนี่ยมันเท่ากันถ้าของมันเป็นจํานวนเท่ากันเช่นให้พระที่ปฏิบัติไม่ดีกับพระที่ปฏิบัติดีองละล้อยอย่างเงี้ยคือใส่อาหารมีมูลค่าเท่ากันน้อยบาท ก็ได้บุมเท่ากันก็ได้ความสุขใจที่เกิดจากการให้ส่วนประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระนี่ต่างกันพระที่พระดีท่านก็มีธรรมะมาสอนเรพาพระที่ไม่ดีท่านก็ไม่มีธรรมะมาสอนเราก็จะต่างกันตรงนี้นั่งสมาธิพอจิตสบายแล้วอยู่ไม่นานแล้วถอนออกพอะรู้สึกสบายแล้วไม่ได้นั่งต่อพอหรือไม่ครับก็ยังไม่สบายจริงถ้าสบายจริงไม่อยากจะออก ยาจะอยู่ไป น, นานมีความสุขคุณแม่เสียไปหลายสิบปีแล้วแต่ฝันเห็นท่านมาอยู่บ่อยๆครับทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้คิดอย่างนี้แสดงว่าท่านยังอยู่ไหมครับไม่เก็บนะคับวันเ ร, เราคิดถึงนั่นเรื่องหนึ่งท่านจะอยู่ไม่อยู่เองเรื่องนึงเราจะไม่รู้นอกจากเราไม่ยานอย่างทราบนะแต่นั้นอย่าง้เว่าท่านอยู่หรไม่อยู่ คำถามข้อที่หนึ่งครับขนาดนั่งสมาธิไปรู้สึกว่าเหลือดวงจิตดวงเดียวไม่มีกายเป็นแบบนี้บ่อยต้องทำอย่างไรต่อครับเขาไม่บอกว่านั่งสมัธิไหนมันต้องนั่งแบบมีสติอยู่กับพุทโธแล้อยู่กับลมหายใจและเวลามีอาการอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าจิตยังไม่เนงยังไม่สงบก็ดูลมต่อไปพุทโธต่อไปจนกว่าจิตจะสงบนันทุกอย่างาว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่มีความสุข ตอนนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรกไม็มีสติรู้อยู่ไปจนกวาสติตอจะทอนออกมาข้อสองครับกายวิเวกใจวิเวกอันนี้มันทำเหมือนคนเมื่อสักครู่ครับกายวิเ ว, ว, เวกคือความสงบกายก็คือกายต้ออยู่ในสถานที่ที่สงบสง่างวิเวกเช่นอยู่ตามป่าตามเขาที่ไม่มีอะไรทุกผ้าไม่มีเสียง อ, อกุกัติคุกคมเหมือนด้น ถ้าอยู่ในที่ที่สงบแลว้วทาใจให้สงบมันะมันจะสงบได้ถ้ากายยังไม่วิเวงนี่ใจจะไม่วิเวงไม่ได้เพราะมันมีเรื่องเข้ามาตลอดเวลาการบวชเป็นการหนีความรับผิดชอบไหมครับถ้าเรามีหน้าที่ในสังคมและครอบครัวอยู่ครับไม่เราเป็นการไปศึกษาไปปฏิบัติเหมืนกไปต่อปริญญาเอง เน้นรญญาใหญ่ทางพุทธศาสนาหนูอยากทราบว่าตอนนี้ตัวเองมีความโกรธน้อยลงหลังจากที่ได้นําการแนะนําจากพระอาจารย์มาปฏิบัติโดยคิดว่าเราอย่าอยากการเป็นอย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไหมครับทุกวันตอนนี้หนูใส่บาต ท, ทุกเช้าครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับใชาความโกรธน้อยลงเพราะความอยากน้อยเราก็ถูกต้อง อยากทราบว่าเป็นพระแล้วจะสร้างบุญได้อย่างไรครับการบุญที่เกิดจากการภาวนาการเจริญสติร่างสมาธิบุญที่เกิดจากการรักษาศีลอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันศิล ส, สมาธิปัญญานี่เป็นบุญเมื่อเครียดจากงานมากทำงานทั้งเจดวันครับจนไม่ได้สวดมนต์หนูต้องทำอย่างไรให้อยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมได้ครับ ก็ต้องแบ่งเวลาให้ทัท้งทาด้วยไม่ใช่ จ, จะใช้เวลาทงโลกเพีย ง, งอย่างเดียวก็ต้องมีเวลาแบ่งกันทั้งทั้งโลกก็มีให้เขาไปทางธรรมก็ควรจะมีให้กับการไหว้พระเสรินม น, น้ำสมาธิด้วยก่อนตายได้บริจาคร่างกายไว้แต่ตายจริงร่างกายโรงพยาบาลไม่ได้เอาไปอย่างนี้ได้ปุณไม่ครับไม่ได้บุณนะ เอาไปก็ไม่ได้บุญว่าเราไม่รู้ว่าเขาเอาไปหรือเปล่าเขาไปใช้อย่างไรเราไม่รู้เมื่อไม่รู้เราบุญคือความรู้สึกความสุขใจมันก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเวลาเราตายไปแล้วนี้ก็ไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายนี่เราไม่รู้และใครเอาร่างกายนี้ไปไปเผาไปทิ้มไปแทงไปทําอะไรทำคุณหรือทำโทษนี้เราไม่รู้แล้ะไม่มีความสุขความทุกขกับร่างกายแล้วไปนะแต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่เรารู้เวลาที่เราทําอะไร เราเสียสละของดีของของมิค่าของร่างกายไปให้กับคอนอล่นนี่เราจะมีความสุขใจเพราะถ้าเราได้ช่วยชีวิตเขาคนที่ไม่มีตายตายวายเราแบ่งให้เขาไปอันหนึ่งแล้วทาให้เขามีร่างกายกลับมาอยู่เป็นปกติสูงได้เลยอาจะมีความสุขมากข้างบ้านปลูกกล้วยแต่ไม่มาดูแลกล้วยแก่แล้วเราตัดมาให้นกกาจะผิดศีลไหมครับ เป็นของเขาถ้าอยากจะเาก็าข อ, อก่อนบอกเาก่อนความโกรธเราหนีมันไปเรื่อยๆมันไม่ได้ต้องเผชิญหน้าไม่ใช่หาทางสงบอ่อนี่เขาคอมเมนต์ครับ <c oughs> เป็นนี่กอย อ, อบวชภาคฤดูร้อนระยะสั้นหนึ่งเดือนได้ไหมครับก็แล้วแต่ทางกอยอสเขาดูเ็ามีข้อห้ามหรือเปล่า ผมฟ้องคู่กรณีคดีอุบัติเหตุรถชนถ้าผมออกบวชแล้วผมชนะคดีแล้ว่างบวชผมจะประราชิกไหมครับไม่เกี่ยวกันนะประราชิกนี่มันเกี่ยวกับเรื่องการไปฆ่ามนุษย์นี่เราไม่ได้ไปข่าใครไม่ใช่หนห่อ เวลานั่งสมาธิแล้วใจคิดไปทั่วครับจะทำอย่างไรดีไม่ให้คิดครับไม่มีสติปลุกใจไว้กับพุโทโธเนื่องมีสติแ ล, แล้วก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วมันก็จะไม่สามารถไปคิดใด ไ, ได้ถ้านั่งสมาธิแล้วตัวโยกก็คิดในใจว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่มีอยู่ในกายนี้ตัวก็จะหยุดโยกสักพักก็จะเป็นอีกก็จะคิดในใจอีกคิดและทําแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับ ไม่ถูกหรอกนั่งสมาธิต้องมีอะไรผูกใจไว้ต้องมีพุโทโธแล้วดูลหมหายใจแล้วตัวจะไม่โยกตอนนี้ลูกบวชชีแต่ร่างกายมีโรคประจําตัวไม่สามารถทํากิจของแม่ชีได้ลูกคิดว่าจะศึกไปอยู่บ้านและทำมหากินถือศีลห้าปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านลูกคิดถูกไหมครับขอความเมตตาครับก็เป็นแล้วแต่เราจะเลือกทาง ได้นทนั้นนะจะเป็นแม่ชีก็ได้จะกลับมาอยู่เป็นแม่บ้านก็ได้ขอทราบวิธีตัดกิเลสให้ขาดครับก็ต้องเห็นโทษของกิเลส เ, เวลาเราทำอะไรตามกิเลสเนี่ยมันจะทำให้เราทุกข์เพราะว่าเราเกิดกิเลสแล้วอยากได้แล้วไม่ได้เราก็จะทุกข์ถ้าได้มา้วเราก็ต้องมาทุกข์กับการรักษาของที่เราได้มา วเวลาของที่เราไล่มาเกิดมันจากเราไปแล้วก็จะทุกข์อีกก็ๆๆต้องเห็นว่าการกระทําตามที่ลสนี้จะ น, านาำเราไปสู่ความทุกข์ต่างๆไม่ค่อยจะได้ไปวัดครับโอนเงินให้แม่ชีทําอาหารใส่บาตรอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้คุณนําพึ่งถามว่าการทําอานาปานาสติต้องทําอย่างไรครับก็ดูลมหายใจเข้าออที่ปลายจมูก เวลาลมเข้าลมออกมันจะสัมผัสอยู่เท็จทำบริเวณปลายจมเกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาก็เฝ้าดูการสัมผัสของลมที่เวลเข้ามาแล้วออกอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแล้เดี๋ยวถ้าเราไม่ได้คิดอะไรอยู่กับลมได้อ่าต่อเ น, นื่อจิตใจจะเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสมงบได้อารย์นน จิตผมบางทีเผลอลบหลูกครูบาจารย์ทั้งที่จริงๆแล้วไม่เคยคิดลบหลู่เลยครับอยากทราบวิธีแก้ไขครับก็ห้ามไว้เสียเวลาคิดลบหลู่ก็คิดให้บริกรรพุดโธพุทโธกันผู้หญิงบวชพระได้บุญมากกว่าบวชชีไหมครับบุญมากบุญน้อยไม่ได้อยู่ที่การบวชเป็นพระหรือบวชบป็ชีการบวชนี่มันถือเป็นแต่เป็นการอ่ เปี่ยนสถานภาพของของเราจากการเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางโลกมาเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางธรรม้อยเปอร์เซนจะได้บุญมากหรน้อยอยู่ที vale. well ่การปฏิบัติของเราไม่ได้อยู่ที่การบวชการบวชเป็นเพียงจุดเริ่มต้นอยู่ที่การปฏิบัติหลังจากที่เราบวชแล้วเราปฏิบัติมากน้อยถ้าปฏิบัติมากเราก็จะได้บุญมากปฏิบัติน้อยก็จะได้บุญน้อยไม่ว่าจะเป็นพระหรือแม่ชีก็ตาม เวลาที่ไปฟังสวดงานข่าวดําเรานั่งแบบสมาธิได้ไหมครับกแล้วแต่มารยาทที่ว่าเขานยนิยมใช้อย่างไรบางแห่งเขานี่ยนั่งพระเพียรเขาก็นั่งพระเพียบตามเขาบางแห่งเขาปล่อยฟรยีสไตล์จะนั่งพระเพียรก็ได้จะนั่งขัดสบายก็ได้จะนั่งเก้าอี้ก็ได้แล้วแต่ต้องดูการลเทศะถ้าเราทําบุญอุทิศให้คุณพ่อตลอด ถ้าท่านไปเกิดเป็นมนุษย์ท่านจะได้รับบุญที่เราส่งให้ท่านไหมครับถ้าท่านอยู่ข้างบนท่านก็ไม่ต้องการบุญที่เราอุทิศให้ท่านใช่ไหมครับใชถ่ถ้าท่านเป็นขอทานก็เป็นเ ป, นเปน ท, นนที่ท่านจะมารับบุญถ้าไปเกิดในภพอื่นแล้วขรั้งถก็ไม่มารับบุญของเราอีกต่อไปทําในเหตุปล่อยวางในผลใช่ไหมครับ คือมันไม่ต้องปล่อยวางในผลเนอะทำแต่เหตุแล้วผลเกิดขึ้นมาก็ยินดีตามมีตามเกิดไปมนุษย์สามารถทําบุญทําทานแล้วยกผลบุญให้กับสัตว์ที่เราเลี้ยงได้ไหมครับต้องตายไปแล้วถึงจะถึงจะอุทิศบุญให้เขาได้ถ้าเขาอยู่ก็เอาเงินที่ขอที่เราไปทําบุญทําทานมาเลี้ยงเขาเลยเพราะเขาต้องการอาหารมากกว่า บ, บุญครับ วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ47ปีของกระผมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับขออย่างนด้นก็มาเกิดเลยเพราการเกิดเป็นทุกข์ถ้าเราฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหลายคนคือบอกเหตุอะไรไหมครับหรือต้องทําบุญบ่อยๆครับก็เป็นความเชื่อว่าที่เรา คิดถึคนตายเขอาจจะเป็นพ่อคนตายมาหาเราก็ได้เพราะั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ส่งบุิไปให้เข้าไปกันแล้วกันกายวิเวกจิตวิเวกคือสภาวะจิตสงบใช่ไหมครับก็กายสงบ ก, ก่อนแล้วจิตถึงจะสงบตามได้คนต่างประเทศที่ไม่รู้จักศาสนาพุทธพวกเขาก็จำไม่ต้อง อยู่ในวัฏฏะสงสารใช่ไหมครับไม่ใช่ครับทุกคนจะมีรู้จักศาสนาพุทธหรือไม่ก็ต้องเมีไว้ตายเกินไว้กันถ้าเราพาน้องหมาไปทําหม่นเป็นบาปไหมครับไม่บาปเราควรทําใจยังไงครับคิดหวังอะไรไม่เคยได้สมหวังเลยครับก็อย่าไปหวังไนงะยินดีตามมีตามเกิด ฝากพี่ที่ร้านข้าวจัดชุดใส่บาต ท, ทุกเช้าต้องกรวดน้ําด้วยไหมครับ แ, แต่เราถ้าต้องการอุทิศบุญเราก็อุทิศบุญไปแต่อุทิศบุญแบบแห้งก็ได้แบบใช้น้ําก็ได้ผมนั่งสมาธิได้ประมาณสิบห้าถึงยี่สบนาทีแล้วรู้สึกอิ่มหลุดจากสมาธิอยากจะนั่งให้นานกว่านี้ได้ลองพยายามนั่งต่อแต่จิตฟุ้งมากไม่สามารถนั่งสมาธิต่อไปได้ครับต้องทําอย่างไรครับ เรต้องฝึกสติให้มากเพินกว่า น, นี้ก่อนที่เราจะมานั่งเมื่อก่อนไม่เคยเห็นทุกคิดว่าสุขทุกขเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอพอหลังจากเริ่มปฏิบัติธรรมเห็นทุกชัดเจนขึ้นทุกในทางธรรมกับทุก์ในทางโลกเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ <c oughs> คือทุกในทางโลกมันเป็นเรื่องธรรมดามันมาคู่กันฉลับกันแล้ว่าสุขบ้างแล้วก็ทุกบ้าง ในทุกทางทรรมนี่มันเกิดจากตันหาความอยากของเราถ้าเราดับความอยากได้ทุกทําใจก็จะไม่เกิดขึ้นสวดนมนต์กับนั่งสมาธิอันไหนได้บุญมากกว่ากันครับนั่งสมาธิมันจะสงบมากกว่าการสวดมนต์ความสงบในที่นี้คือจิตใจสงบแม้ไม่ได้อยู่ในที่วุ่นวาย มากมากหรือสถานการณ์ข่าวสงครามใช่ไหมครับเรียนถามพระอาจารย์ครับความงองนี้คือเจ็บนี่ไม่คิดอะไรความรู้สึกต่างๆจะหายจะไปจากความรู้สึกหมดมีแต่ความว่างความเย็นความสุบความสบายเวลานั่งสมาธิแล้วปวดขามาก พยายามอดทนรู้สึกใจยิ่งเร่งให้ความปวดดับไปสุดท้ายก็ทนปวดไม่ไหวออกจากสมาธิไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีขันติมากพอครับเพราะเราไม่มีสติคอยควบกุมใจไม่ให้มันคิดถึงความเจ็บได้เวะกิดความเจ็บเราต้องมีอะไรผูกใจไว้เช่นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วการทรมานทลายก็จะลน้อยลงไปและหายไปได้ ลูกด่าว่าพ่อแม่ผลจะเป็นอย่างไรครับก็บาปนะไปการไปไปด่าพวกนี้พคุณน่มันสิ่งนี้ไม่ควรทำตอนเด็กๆพ่อทิ้งหนูไปครับแต่หนูไม่เคยกลับไปดูแลเลยแต่ส่งเงินให้ใช้ตลอดอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปถ้าเราส่งเงินไปแสดงว่าเราทำบุญ การร้องขอให้ผู้มีอำนาจช่วยเหลือจากดำเป็นขาวผิดทางธรรมด้านใดหรือเป็นบาปอะไรหรือเปล่าครับและคนช่วยนี่จะเป็นบาปไหมครับก็ไม่ซื่อสัตย์ไม่สุสญญสจริตไม่ต้องไม่ต้อ ง, องมาตามความเป็นจริงโคตรเคี้ยวเหมือนการโ ก, กหกเร อ, อ่ะมงอุเบกขาจากฌานสีได้จากการทำสมาธิแล้วการที่จิตมีความเป็นอุเบกขา สามารถเกิดขึ้นได้จากการไม่ทำสมาธิแต่เกิดจากการที่เราสามารถเข้าใจด้วยปัญญาว่ามันเป็นเช่นนั้นจึงทำให้ใจปล่อยวางเป็นอุเบกขาได้ไหมครับส่วนใหญ่ถนะ้าปัญญาปล่อยวางไม่ได้ปัญญาถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขามาก่อนจะปล่อยไม่ได้เฉะนั้นต้องมีอุเบกขาก่อนแนละ้วเวลาเกิดมีความวุ่นวายากขึ้นมาปัญญาก็จะสอนใจให้ปล่อยวาง ให้ใช้เบคขาในการปล่อยวางสิ่งต่างๆเพื่อไว้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ามีแต่ปัญญาไม่มีสมาธินี่ก็ปล่อยไม่ได้ปัญญาบอกให้ปล่อยแต่จิตไม่ยอมปล่อยเพมันไม่มีกำลังที่จะปล่อยเพราะโชว์อ ห, หนาจของกิเลความความยึดมั่นถือมันด้วยความอยากมันมันมันการนอาไว้มันก็ยังทุกข์อยู่ ฉะนนจิตต้องมีกำลังในอยู่ใช้อยู่กิเลสให้ได้ก่อนหยุดหยุดความอยากให้ได้ก่อนเข้าสมาธิได้ก็ถือว่าเราหยุดความอยากได้ใ น, นเวลาปัญญาสอนว่าต้องหยุดปัญญา ก, กับสิ่งนั้นสินี้แล้วก็จะหยุดความอยากนั้นได้อยากทราบว่าทําบุญเบาะนั่งสมาธิหนึ่งร้อยเบาะส่งไรสเนีไปวัดวัดเลยไม่ได้ถวายกับพระอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ ควรจับลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือจับลมกลางอกแบบไหนจะดีกว่ากันครับก็ได้ทั้งสองที่แล้วแต่จะถนัดเราชอบที่ไหนแล้วก็เอาที่นั้นไปเวลานั่งภาวนาจะรู้ได้ยังไงครับว่าคิดอยู่เป็นจิตหรือเป็นความคิดครับถ้ามีสติเราก็จะเอาคิดมันมันมันก็ไม่เป็นจิตอะมันความคิดก็เป็นความคิดอะ อุเบกอันนี้มันทำไปแล้วสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาและแผ่เมตตาให้ลูกหลานและสับปะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพวกเขาจะได้รับอนิสงผลบุญที่เราได้แผ่ออกไปให้หรือเปล่าครับไม่ได้เราแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการยราทำเวลาที่เราคบปากเขาถ้าที่บ้านมีห้องพระ แต่ไม่ชอบไปสวดที่ห้องพระเพราะต้องขึ้นไปชั้นสองจึงสวดบนที่นอนและนั่งสมาธิแล้วนอนเลยแบบนี้ได้ไหมครับได้เวลาทํางานเหนื่อยเกินไปและมีคนเอางานมาให้ทําเพิ่มเรารู้สึกไม่โว้โมโหใจไม่สงบและจะพูดจาไม่ค่อยดีตอบกับคนนั้นรวมถึงแม่ตัวเองจะบาปไหมครับและจะแก้ที่ัยให้อยู่สุขสงบจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรครับก็ต้องทําใจให้สงบก่อนแล้วค่อยพูด ก่นจะพูดอะไรต้องทำใจให้เราสงบเราพักผู้แล้วเราก็จะพูดดีได้ถ้าจะพูดมันดีก็อย่าไปพูดอะไรอยู่เฉยๆไปก่อนเรื่องขอสติอาร์ไว้ก่อนอเราควรจะสวดมนต์บทไหนดีครับอาจารย์บทไหนก็ได้การสวดมนต์นี้สวดเพื่อให้มีสติเพื่อให้าจไม่ลนไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ พระอรหันต์จำเป็นต้องทะลึกชาติได้ไหมครับก็มีพระอรหันต์นี่ก็มีอยู่สี่ชนิดนะพระอรหันต์ที่แบบไม่มีไม่มีความสามารถพิเศษเลยพระอรหันต์ที่มีความสามารถทะลึกชาติได้ก็มีพระอรหันต์ที่มีมีมีความสามารถที่จะอ่าสัมโสมีอภิญญามีทิฏฐิก็มีในพระอรหันต์ที่มีความสามารถสัมสอนด้วยปัญญาอย่าง อย่างอย่างน้ำคมก็มีมีอยู่สให้ด้วยกันขอโอกาสครับฝึกให้มีสติมากขึ้นต้องทำอย่างไรครับเช่นก็ให้พุโทโธไปทั้งวั น, นบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หนึ่งมาผูกไว้กับพุโทโธพุโทโธไปก็จะมีสติเพิ่มขึ้นไปตามลำดับ ทำเหตุเช่นทําบุญให้ดีย่อมเกิดผลอันงดงามคือความสบายใจแค่นี้ก็สุขใจอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ส่วนหนึ่ ง, ส, นนงส่วนหนึ่งนี่มันอยู่ที่เรายัางพิสูจน์ไม่ได้คืตายไปเรามันก็จะพาเราไปสวรรค์เมื่อเราจากการรมมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนามาเกิดอยู่ดีกินดีนี้มา่งมีบั่งคั่งในฐานะการยืนการท่าเป็นต้น หนูทาบุญอธิษฐานขอพรให้พ่อแม่ได้ไหมครับแม่เสียพ่อยังอยู่ครับคือการขอจะขอแล้วก็ขอได้แต่จะได้มันนีมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยว่ามีเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้หรือเปล่าถ้ามีเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้มันก็ได้ถ้าไม่มีมันก็ไม่ได้มันไม่ได้อีก่ที่การขอของเรา สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันใส่บาต ท, ทุกวันที่บ้านขายของชามเห็นคนมีทุกข์มากเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธครับก็ดีดเราอยจะไปทุกข์กับเขาแล้วกันการปฏิบัติกับเจตนาสิ่งไหนให้ผลมากกว่ากันหรืออย่างไรครับคือการกระทํำมันต้องมีเจตนาก่อนถึงจะมีการกระทํตาตามมาถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่มีการกระทํตาตามมาไม่ว่าจะเป็นมูลไม่เป็นบาป ก, ก็ตาม ทำสมาธิโดยบริกรรมพุทโธพอสงบกลับรู้สึกลมหายใจและชีพจรที่ชัดเจนอย่างนี้ต้องทำอย่างไรต่อไปครับรไม่ต้องไปสนใจให้จิตสงบให้ว่ามใหเย็นให้สงบพระพุทธเจ้าทรงตัดสั้ใต้ต้นโพโด้วยอานาปานสติใช่ไหมครับก็เป็นส่วนหนึ่ง น, นั่นเป็นการทำใจใสงบก่อนแล้ว ขั้นที่สองท่านกไปพิจารณาอริยสัจสกับไตรลักทำงานไปแล้วสวดมนต์ไปด้วยจะได้บุญหรือเปล่าครับถ้าสวดแ้ ว, วใจสงอ ก, ก็ได้บุญอยากจะไปฟังเทศพระอาจารย์ที่วัดครับจะทำยังไงได้บ้างครับก็ดูติดตามสวดก็ได้เหมือนกันทั้งบายทั้งโมนในเพส ในเฟซบุจ๊จานโซเชียลมัก็สามารถดูติดตามถ่ายทอดสดได้ถ้ามีอีกาหลายตัวมาร้องแถวบ้านหลายรวมกันอย่างนี้เป็นลางบอกเหตุว่าจะมีคนเสียหรือเปล่าครับมันไม่มีเรามันอย่ที่เราไปคิดชันเองไม่ค่อยได้ทําบุญกับวัดครับแต่ชอบบริจาคเงินให้โรงพยาบาลอย่างนี้ได้บุญเท่ากันไหมครับเท่ากันเท่ากัน นั่งสมาธิแล้วไม่อยากออกอย่างนี้เป็นหลงในสมาธิหรือเปล่าครับไม่แร้วเพราะมันยังมีความสุขอยู่อันยังเพื่อให้เกิดความสุขเมื่อมีความสุขแล้วไม่อยากจะไปไหนเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเรามีความสุขก็จะไปหาอะไรกีกที่หากันวันเพราะมันมีความสุขกัน เ, เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าคนไหนเป็นพระอริยบุคคลครับจะสังเกตจากอะไรครับ ก็อย่างหนึ่งก็คือต้องอให้ท่านตายไปก่อนนะแล้วกระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุก็จะรู้ว่าท่านได้เป็นพาาาระอรหันต์แล้วนอกนั้นเราก็จะไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่ น, นอนนอกจากว่าเราไปศึกษากับท่านแล้วท่านสอนให้เราเป็นพาาาระอรหันต์ได้เราก็อาจจะเชื่อว่าท่านต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนเพราะเราเอาคำสอนของท่านมาปฏิบัติตามในสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาพระเจ้าแสดงธรรมแล้ว คนฟังันรู้ทรรเป็นพาาระอรหันต์ขึ้นมาทอาว่าเชื่อว่าพระอาจารนี้ต้องเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนท่านสามารถสอนให้เขาเป็นพระอรหันต์ได้การฝึกสติคือการรู้สึกตัวต่อเนื่องถูกต้องไหมครับให้เราเลิกรู้อยู่ไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วิธีอย่าไม่ให้ลอยต้องมีสติและเลิกรู้อยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานเช่นอยู่กับพุโทโธพุโทโธ คำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์บอกว่าการฝึกสติต้องทำอย่างไรครับอย่าพูดไปนะี้ัก็ให้มีสติแล้วลก็อยู่กับวุฒโธวุฒโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเลยขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ในเฟซ497ครับในยู571ในคลับเฮาส์4ในทิกตอก545ครับรวม 1,617 คนนะครับพระอาจารย์ครับ ก็ยินดีกัท่านทุกท่านที่เข้ามาโน้มสนทนารธรรมมองว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่ว่ากันน้อยสาหรับการสนทนารธรรมสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออะไรนะขอให้ท่านจนงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเพลิดเพลิ น, น, นาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, ง, งขึ้นไปเทิรสาธุครับ ถ้าไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องก็จคงจะได้พบกับท่า น, นอีกครั้งหนึ่งในอาทิตย์หน้าเช่นกันนะครับลบคุณหมอแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ครับกขับคุณพระอาจารย์ครับ